เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนทักกรคนชอบเล่ากลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับในหมวดของนิทานสอนใจเรื่องราวจะเป็นยังไงขอเชิญรับฟังกันดูนะครับเราทุกคนย่อมทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเพณีดั้งเดิมของคนจีนนั้นคนเกาหลีคนญี่ปุ่น เขมีความเชื่อถือคล้ายๆกันอย่างหนึ่งว่าคือทุกบ้านทุกช่องจะจัดที่ไว้แห่งหนึ่งเอาไว้สําหรับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับไหว้ผีไหว้เทพไหวบ้บรรพบุรุษตลอดจนไหว้เซียนตามแต่กําลังศรัธทธาที่ว่าจะนับถือกันสามารถจะโดนบันดาลอะไรๆก็ได้ได้ใช้งัดนักแท้ตามเสาเรือนที่สําคัญๆก็นิยมมีกระดาษแถบยาวๆเขียนภาษิตที่ลึกซึง้งเป็นขับของนักกราบบ้างให้เห็นเป็นที่สะดุดตาเพื่อจะไได้้กราาบบหวูช ถือว่าเป็นสิ่งที่อํำนวยพรและให้ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทุกค่ำเช้าของเจ้าของบ้านในญี่ปุ่นสมัยหนึ่งมีชายชาราไว้60ปีคนหนึ่งสร้างตนสร้างครอบครัวขึ้นมาด้วยความอุตสาหะจนได้เป็นเศรษฐีเจ้าของทรัพย์มีบุตรหลานและพรั่งพร้อมด้วยความนับหน้าถือตาชื่อได้ว่าเริ่มความเป็นปึกแผ่นของตระกูลทันช่วยชีวิตเดียวเศรษฐีเข้าเขตใบชาราคนนี้บัตรนี้ก็มาคานึงถึงการข้างหน้า อยากจะให้ความมั่งมีสีสุขอย่างนี้ยั่งยืนตลอดไปชั่วการนานเทินแต่มันมาจนใจอยู่แต่ว่าตนเองนั้นจะต้องละโลกนี้ไปในไม่ช้าะแล้วตราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีความเชื่อมั่นแน่วแน่ว่าตนเองจะมีวิธีรักษาความเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้ได้โดยไม่เพี้ยงพรำเพราะตนเองได้รู้วิธีทั้งหมดมาแล้วมายากใจก็ตรงที่ว่าไอ้ความตายเนี่ยมันจะมาสกัดตัดสิทธิ์ไม่ให้เสวยผลจากหยาดเหงือ่ออย่างที่แกไม่มีทางจะหลีกเลี่ยมดูมันไม่เป็นการยุติธรรมของฟ้าดินซะเลยแม้แต่น้อย ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานจะมีหลักประกันใดๆที่จะรักษาทรัพย์สมบัติอันมหาศาลนั้นนี้ไว้ได้ไม่ให้มันเสื่อมสลายตลอดจนเวลาที่แกยังมีชีวิตอยู่นี้แกก็นึกหาช่องทางเพื่อให้ความมั่นคงในอนาคตหากแม้ยังหาหนทางที่ทําให้แกอุ่นใจไม่ได้แกก็ไม่สามารถนอนตายตาหลับลงไปได้หลังจากใครครวนแสวงหาหนทางทุกวิธีทางเพื่อจะทำให้ความหบังของแกเป็นจริงอยู่นานหลายปีและตามภาษาของแกที่มีระดับการศึกษาของมันสมองเพียงเท่านั้น ก็พบว่าไม่มีช่องทางใดที่ทำให้แกแน่ใจได้ว่าทรัพย์สมบัติจากน้ำพักน้าแรงของแกจะไม่สูญหายไปเวลาแกสิ้นชีวิตลงเมื่อคิดอะไรไม่ออกตามภาษาแกจึงต้องหาทางพึ่งโดยเข้าหาพระถูกต้องแล้วครับคนเราส่วนใหญ่คิดอะไรไม่ออกก็จะเข้าหาพระเราก็ตามแกเข้าวัดกันเลยดีกว่าตอนนี้ด้วยความคิดของแกนั้นคือพระจะต้องมีอภินยามีภิษิหารดารงความอาคมเข้มขลัง ทำให้แกสามารถจะรักษาสมบัติของแกได้ข้ามภพข้ามชาติไม่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลา น, น, น, น, นจะเปลี่ยนไปกี่รุ่นก็ตามความเป็นมหาเศรษฐีของแกก็ยังคงดำรงอยู่ตราบนานเท่านั้นและในเวลานั้นทางพุทธศาสนาก็ไม่มีใครเกินกว่าหลวงพ่ออาจารย์ใหญ่ฝ่ายเซนชื่อซีนไก่ผู้เป็นพระเถระยิ่งใหญ่เป็นที่นับถือกราบไหว้ของมหาชนทั้งหลายในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ของบ้านเมืองนั้นทีเดียวเศรษฐีจึงเข้าไปบอกความติดตันหัวใจทั้งหมดโดยตลอด และขอให้หลวงพ่อช่วยเขียนตัวเจิมคาถาเพื่อจะเป็นมหาสตรีมงคลบันดันให้จำเดินมากมูลยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมมาคาขึ้นทั้งในเวลานี้และในภาคหน้าชั่วลูกชั่วหลานตราบที่คาถาวาจาศิษย์ของหลวงพ่อจะยังอยู่และจะสถิตอํานยความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดชั่วการละนานเทินฉะนั้นจึงของนิมนต์หลวงพ่อไปทําพิธีฉันอาหารและบินทบัติที่บ้านในวันพิธีเศรษฐีได้เชิญแขกเรือรวบรวมทั้งหมดทั้งญาติที่มีและไม่ใช่ญาติอีกมากมาย โดยเฉพาะเกณฑ์ให้ลูกหลานเหรนทุกคนให้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกิจธุระทุกอย่างให้พักไว้ก่อนพอถึงเวลาหลวงพ่อท่านก็รับกระดาษม้วนแดงมาคลี่เอาผู้กันจุ่มมึกยังไม่มีพิธีรีตองวินาทีนั้นทุกคนพากันอึดลมหายใจไป ต, ตามๆกันต่างก็พุ่งจิตใจทั้งหมดไปยังปลายผู้กันอันทรงพลานุภาพเลนลับนั้นดูว่าหลวงพ่อท่านจะลากน้ําหมึกให้เป็นสีตัวอักษรมงคลว่าอย่างไร แ ล, แล้วหลวงพ่อก็ป้ายน้ำมึกคขว้ไปไขว้ามาอย่างรวดเร็วเป็นตัวอักษรสมตัวเรียงจากบนลงล่างข้อความมีดังนี้ให้พ่อตายก่อนแล้วลูกตายและหลานจึงตายทุกคนเห็นดังนั้นก็อ้าปากค้างตัวท่านเศรษฐีก็หันหน้ามาหาหลวงพ่อทำท่าเหมือนจะร้องไห้แต่ก็ต่อว่าอะไรหลวงพ่อไม่ได้เพราะท่านเป็นพระผู้ใหญ่เกินกว่าจะมีใครกล้าคดทัดน์หรือไม่พอใจเศรษฐีได้แต่หลุดปากออกมาคํานึง โอ้ยหลวงพ่อครับแล้วเสียงนั้นก็หายไปในลําคอเงียบนิ่งกันไปทั้งหมดหลวงพ่อสินไก่นั้นเห็นเป็นโอกาสที่จะแสดงธรรมะในเวลาอันถูกกระละมากที่สุดโดยเมื่อมีลูกหลานอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและทุกคนก็พยายามจะฟังท่านพูดอยู่ทีเดียวท่านเอิดเสียงอันเป็นปกติขึ้นว่าลูกเอ๋ยพ่อมีได้เขียนแบบหยอกล้อทําเป็นเล่นเลยอันว่าตายนี่แหละเป็นเรื่องจริงที่ใครๆจะหลีกนี้ก็ไม่พ้นไปได้ ฉะนั้นพรที่พ่อให้ลูกทั้งหลายไปจะไปขัดไปขืนกับความตายไม่ได้ถ้าได้มันก็เป็นเท็จไม่สําเร็จเป็นพรเป็นวา จ, จาศักดิ์สิทธิ์ไปซะแล้วละสิมีต่หากว่าหากจะตายก็ขอให้ได้ตายเรียงกันก่อนหน้าหลังยังพอทำเนาความทุกข์เท่ากับที่คนเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็มีอยู่มากหนักห น, นากันอยู่แล้วพวกเจ้าทั้งหลายอย่าต้องมาเสียน้ําตาด้วยความทุกข์บอดีเทวนาการอันแสสาหัสเมื่อมีลูกมีหลานและมาด่วนตายไปก่อนตนอีกเลย เหตุการณ์ที่จะทําให้แต่ทุกกระทมหมดไหม้ทับทวีอันเกิดจากการที่มาชิงตายไม่เป็นสาลูกมาตายก่อนพ่อก่อนแม่หลานมาตายก่อนตาก่อนยายก่อนปู่ย่านั้นถ้าบรรดาให้คลาดไปไม่ต้องผ่านพบได้ถือว่าเป็นพรและเป็นสิริมงคลของวงตระกูลแน่แท้ต่อจากนั้นหลวงพ่อสินไก่ก็แสดงมหาสิริมงคลในการชุมนุมนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกกล่าวคือให้ทุกคนรู้จักคาว่าเงินนั้นมันคืออะไรแน่ จะทำอย่างไรกับมันจึงจะได้ผลประโยชน์อันมหาศาลและการเป็นคนที่มีเงินโดยไม่ต้องเป็นทุกนั้นทําอย่างไรหลวงพ่อซักไซทบทวนคําถามอยู่เป็นนานแสดงให้ทุกคนที่นั้นรู้จักชัดเจนขึ้นว่าวิธีที่จะจัดการกับเงินนั้นมีสอนในพระพุทธศาสนาทั้งสิน้นและที่สุดก็ได้ทำให้หลายคนรวมทั้งตัวท่านเศรษฐีด้วยได้กลายเป็นเศรษฐีจริงๆชนิดที่ไม่ต้องทนทุกข์เพราะเงินอีกต่อไปเป็นปาฏิหาริย์ที่เห็นกันอย่างสดๆดร้อ น, ร, อนร้อนในครั้งนั้น และจากเรื่องราวที่เล่ามานี้ท่านจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นปัญหาหนักหน้าของบุคคล ช, ชนชั้นที่มีอันจะกินทั่วไปฉะนั้นใครที่ไม่มีโชคได้เป็นเศรษฐีก็จึงรู้เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งถือว่าในวงของเหล่าผู้ชนชั้นที่เรียกว่าเศรษฐีนั้นเขาเพบปัญหาในหมู่ของเขาอย่างไรเงินนี่แหละมันคืออะไรกันมันไม่ได้เป็นเพียงแค่อิแปะธรรมดาที่จะนําออกมานับเพื่อความชื่นใจเท่านั้นมันยังมีอะไรมากมายอยู่ในสิ่งนั้น ทำให้เขาคนนั้นเป็นผู้หมดความสุข ท, ทั้งทั้งที่คนอื่นพา ก, กันดิฉาว่าได้ดีไปแล้วตัวอย่างเช่นเศรษฐีในนิทานเรื่องที่ว่านี้หลังจากที่ทุกคนเปลี่ยนระดับความรู้สึกตั้งสติอยู่บนฐานด น, นิจจังทุกขังของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านอาจารย์ก็มอบมาหาสตรีมงคลไว้ให้ตอนหลังคือธรรมะชั้นสูงกล่าวคืออนัตตาที่จะทําให้บุคคลรู้จักกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ในที่นี้จะเอาเงินเป็นวัตถุสําหรับกล่าวเป็นตัวอย่าง หากรู้จักเงินถึงที่สุดเพียงอย่างเดียวก็เท่ากับรู้จักสิ่งอื่นๆเช่นกันชื่ออื่นกระทั่งรู้จักชีวิตนี้ทั้งมวลโดยสิ้นเชิงนับว่าบุคคลนั้นกลายเป็นคนที่แมบตะคัดขาดแคลนความสุขไปจนตายแม้จะอยู่ปะปนกับหมู่ชนที่เขากำวลระทมทุกข์อยู่พร้อมรู้จักอะไรอย่างแท้จริงในโลกนี้ในพุทธศาสนาสอนให้คนที่ใครจะได้ชื่อว่ารู้อะไรเช่นรู้จักเงินให้รู้ให้ถึงที่สุดเขาจะต้องรู้จักดังต่อไปนี้คือให้รู้จักเงิน ตามภาษาของโลกทุกแง่ทุกมุมอย่างเช่นเคล็ดลับที่เราเสียฐีผู้รู้จักสร้างตนเองรู้ 2. ให้รู้จักเงินในแง่ที่มันจะอํานวยผลข้างดีอะไรได้บ้างกี่อย่างกี่ทางทั้งที่เห็นได้และเลร้นลับสามให้รู้จักเงินในแง่ที่มันจะทําพิษให้ผลข้างไม่น่าชอบใจทําร้ายทางไหนอย่างไรและกี่ทาง 4. แล้วจึงให้รู้จักรูปทางที่จะทํากับมันให้ถูกต้องตามที่โลกก็สมมุติด้วย และสบถผลอันเกิดจากเงินที่พึงจะบรรดาลให้ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตให้ครบถ้วนสมบูรณ์สูงสุสดด้วยแล้วยังมีวิธีทำจิตใจต่อสิ่งที่เราเรียกว่าเงินนั้นมิให้มันมาเป็นเราของเราด้วยความที่เห็นมันอยู่ว่าเป็นเป็นอนัตตาขอผู้มีอันจะกินทั้งหลายจงปลอดภัยด้วยอุบายวิธีของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ด้วยกันทุกคนเถิดและผู้ที่ไม่อยู่ในขายของผู้มีอันจะกินนั้นก็ข อ, อย่าได้ประมาทอย่าได้จัดตัวเองให้น้อยหน้าไปกว่าคนอื่นได้ มิเช่นนั้นจะกลายเป็นว่าเป็นคนขาดทรัพย์แบบโลกโลกและทั้งอริยทรัพย์ด้วยประการชนนี้แลก็ลองเอาไปคิดตามดูกันนะครับจากนิทานเรื่องนี้ที่ชื่อเรื่องว่าความเป็นสิริมงคลขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการได้รับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ